ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางประทำรรและประสงค์เป็นสรนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสมมาสมุทิเจ้าได้แสดงข้อปฏิบัติซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติมาเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตัดสรู ว่าได้ทรงปฏิบัติตั้งสติกำหนดรู้วิตกคือความสรึกทำให้เป็นสองส่วนคือเมื่อจิตวิตกคิดนึกไปในทางอากุศลก็ทำสติกำหนดรู้พร้อมทั้งโทษก็จะทำให้ ความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลนั้นสงบได้และเมื่อทรงตรึกนึกคิดไปในทางกุศลก็ให้ทำสติกาหนดรู้ความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลนั้นพอจะตั้งอยู่ทรงทำสติกหนดรู้ความตรึกนึกคิดในจิตของพระองค์เองให้เป็นสองส่วนอยู่ดังนี้ เมื่อไฟอากุศลเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่านี่อกุศลไม่ดีเมื่อไฟอกุศลเกิดขึ้นก็ยรู้ว่านี่กุศลดีเหมือนอย่างแบ่งออกเป็นสองกองเมื่ออกุศลเกิดขึ้นก็จับใส่กองอกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็จับใส่กันในกองกุศลทรงกำหนดรู้พร้อมทั้งโทษและคุณเมื่อเป็นดังนี้ หวาอากุศลก็จะสงบหวกุศลก็จะตั้งอยู่และได้ทรงแสดงถึงธรรมชาติธรรมดาของจิตใจว่ามีปกติที่น้อมไปตามมิตกวิจารคือความตรึกความตรองของจิตใจนี้เอง เมื่อวิตกวิจารณ์ตึกตรองไปในทางอกุศลมากกิตก็น้อมไปในทางอกุศลมากไม่น้อมไปในทางกุศลแต่เมื่อมิตกวิจารณ์ตึกตรองไปในทางกุศลมากกิตก็น้อมไปในกุศลมากไม่น้อมไปในอกุศลและแม้ว่าจะได้น้อมกิตไปในทางกุศล ความตึกตรองที่เป็นกุศลนั้นก็ตั้งอยู่ก็อาจจะตึกตรองในทางกุศลนั้นไปได้ตลอดคืนตลอดวันแต่ว่าเมื่อมีตกวิจณยคือตึกตรองไปแม่ในทางกุศลมากเกินไปกายก็จะบอบช้ำ เมื่อละจิตก็จะฟุ้งขึ้นจะเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นการตรึกตรองไปแม้ในทางกุศลเองที่นานเกินไปมากเกินไปก็ให้เกิดโทษใดดังนี้จึงได้ทรงหยุดตรึกตรองแม้ในทางกุศล น, นั้น รวมจิต้ามาตั้งอยู่ในภายในสงบอยู่ในภายในจิตก็จะตั้งเป็นสมาธิได้อยู่ในภายในโดยมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่ตรึกตรองไปมากเรื่องยืดยาวจิตก็สงบได้ตามที่ทรงปฏิบัตินี้ พิจารณาดูแล้วว่าจะจับความได้ว่าในขณะที่ได้ทรงปล่อยให้จิตวิตกวิจาร์คือตรึกนึกคิดไปแต่ว่าทรงมีสติตามดูจิตที่คิดไปนั่นคอยรู้จิตที่คิดไปนั่นเมื่อเป็นอกุศลก็รู้ว่า นี่เป็นอกุศลมีโทษเมื่อเป็นกุศลก็รู้ว่านี่เป็นกุศลมีคุณประโยชน์จนถึงฝ่ายอกุศลสงบลงได้ตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแต่ก็ปล่อยให้จิตตรึกตรองไปในฝ่ายกุศลนานเท่านานก็รึกตรองไปได้ ตลอดคืนก็ได้ตลอดวันก็ได้แต่ว่าปล่อยให้จิตตรึกตรองไปในฝ่ายกุศลงานเกินไปก็มีโทษดังกล่าวลายก็บอบช้ำกระสับกระสายจิตก็พุ้งขึ้นไม่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในขณะที่ปฏิบัติดังนี้ ก็กล่าวได้ว่าเป็นบริกรรมอภาวนาคือเป็นการปฏิบัติอบรมจิตฝึกจิตในทางบริกรรมคือวิตกวิจารตรตรองไปแต่ว่ามีสติคอยตามรู้ตามดูตามเห็นจิตว่าเป็นอย่างไรจนถึงเมื่อได้ทรงหยุดตรตรองไปแม้ในทางกุศลนั้น รวมจิตเข้ามาตั้งอยู่ในภายในเพียงจุดเดียวหากจะยกเอาสติปัฏฐานขึ้นมาเป็นที่ตั้งก็อาจยกขึ้นมาได้ว่าตั้งสติคอยตามดูกายเวทนาจิตธรรมให้รู้แต่เพียงอย่างเดียวว่า นี่กายนี่เวทนานี่จิตนี่ธรรมและทั้งสี่นั่นก็ยังมากไปก็ให้เหลือแต่หนึ่งว่านี่กายหรือว่านี่เวทนาหรือว่านี่จิตหรือว่านี่ธรรมเพียงอย่างเดียวและอีกสามอย่างนั้นก็จะร่วมมันเข้ามาเองให้รู้ว่า นี่มีอยู่นี่ก็คือว่ากายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้มีอยู่ดังนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นอุปจารภาวนาภาวนาหรืออบรมทำสมาธิจิตให้มีขึ้นใกล้ที่จะแนบแน่นและเมื่อได้ รวมผิดให้เป็นสมาธิเข้ามามากขึ้นจนถึงใกล้จะแนบแน่นก็ใช้วิตกวิจารณ์นี้เองตรึกตรองนี้เองเป็นแต่เพียงว่าในที่แรกนั้นตรึกตรองไปมากเรื่องมากราวแม้ในทางกุศลก็ตรึกตรองไปในเรื่อง การออกจากตามต่างๆไม่พยาาบาทปองร้ายหม้หลังคานต่างๆแต่มีเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่างๆไม่เบียดเบียนแต่มีการุณาช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆมากเรื่องมากเราจิตจึงไม่รวมเป็นหนึ่ง หลังที่เรียกว่าบริกรรมาภาวนานั้นแต่ครั้นมางดวิตกวิจารไปในเรื่องต่างๆมากแต่ให้วิตกวิจารอยู่ในเรื่องเดียวคือตรึกตรองอยู่ทั้งเรื่องกายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวนั้นไม่ตรึกตรองไปในเรื่องอื่นตรึกก็คือว่า ยกจิตขึ้นสู่กายเวทนาจิตธรรมหรือเพียงคนใดคนหนึ่งดังกล่าวรองก็คือว่าประคองจิตไว้ให้ตั้งกำหนดอยู่ในเรื่องเดียวนั้นก็เป็นการปฏิบัติเข้าหลักแห่งสมาธิเป็นคันนิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะบ้าง เป็นสมาธิที่นานกว่าชั่วขณะบ้างจนถึงเป็นอุปจาระคือใกล้ที่จะแน่วแน่ก็ต้องอาศัยวิตกวิจารนี้เช่นเดียวกันและเมื่อรวมผิดเข้ามาดังนี้ก็ย่อมจะได้สมาธิที่ดีขึ้นดีขึ้นดังกล่าวจนเป็นอุปจาระสมาธิ ภาวนาก็เป็นอุปจาระภาวนาคือเป็นภาวนาอบรมจิตใจที่ได้อุปจารสมาธิจิตจึงเริ่มได้ความสงบเริ่มได้สมาธิเมื่อมีความเพียรตั้งมั่นไม่ย่อย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมกายก็สงบ ไม่กระสับกระสายจิตก็ตั้งมันมีอารมณ์เป็นอันเดียวลักษณะดังที่กล่าวนี้หากจะยกเอาองค์ของชานที่หนึ่งเข้ามาประกอบก็ยกขึ้นได้ว่ามุมีวิตกวิจารปรกตรองอยู่ในอารมณ์เป็นอันเดียว เรียวกว่าเอกคต า, าจิตมีอารมณ์เดียวอันเป็นลักษณะของสมาธิก็ย่อมจะได้ปีติคือความอิ่มใจความดูดเดืบใจได้ความสุขคือความสบายกายสบายใจและเมื่อมีปีติมีสุขจิตที่เป็นเอกคตาในเบื้องตนนั้นก็จะเป็นเอกาาคาตาคือตั้งมัน่นมีอารมณ์เป็นอันเดียวที่แนบแน่น เป็นอัปปนาสมาธิเมื่อเป็นดังนี้การภาวนาคือการปฏิบัติก็เป็นอัปปนาภาวนาการภาวนาที่ทำให้ได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิและเมื่อได้วิตกวิจารปีติสุเกเอกาตาพร้อมกันดยชื่อว่าได้ปฐมฌานและเมื่อ มีความเพียรไม่ย่ยยอนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายไม่กระสับกระส่ายสงบมีจิตตั้งมั่นดีขึ้นก็ได้สมาธิที่เป็นเอกคตานี่สูงขึ้นสูงขึ้นหลวพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระองค์เองมันจ้ทรงปฏิบัติโดยทางนี้ตั้งตนแต่ ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับวิตกด้วยความรึกดังกล่าวจนถึงได้อัปปนาสมาธิก็ทรงได้ฌานทรงได้วิชาสามจนถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและก็ได้ทรงแสดงถึงพระองค์ที่มีพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนดังที่ในสัต แสดงทางให้ทรงปฏิบัติมาสั่งสอนที่นำมาเล่านี้ได้รัตปุปมาธรรมะไว้ว่าเหมือนอย่างว่ามีที่ลุ่มเต็มไม่ได้เปิดตมในป่าใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของหมูเนื้อหงใหญ่ก็ได้มีบุคคลที่ไม่หวังดีคือพราน มาปิดทางที่เกษมสวัสดีแต่เปิดทางที่ไม่สวัสดีให้ปวงเนื้อนั้นออกมาทั้งมีเนื้อต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวเมียและเมื่อปวงเนื้อได้ออกมาในทางไม่สวัสดีที่ในพรานเปิดให้นั้นทั้งได้ถูก เนื้อต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวเมียชักจูงอีกส่วนหนึ่งพวงเนื้อจึงต้องพบกับความหาชนะคือความเสื่อมเสียร่ยรอลงไปโดยฝีมือของบุคคลที่ไม่หวังดีคือพระแต่ว่ามีบุคคลที่หวังดีได้มาช่วยปิดทางที่ไม่สวัสดีแต่เปิดทางที่สวัสดี เพื่อให้เนื้อออกทั้งได้นำเนื้อต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวเมียออกไปเสียฝูงเนื้อนั่นก็มีความสวัสดีและมีจำนวนเพิ่มเติมมากขึ้นมีความผาสุกแล้วก็ได้ตัดเป็นธรรมะว่าบุคคลที่ไม่หวังดีคือพรานนั่น ก็ได้แก ม, มารและเป็นที่ลุ่มแต่ไม่ได้เปลือกตมนั่นก็คือกามะคุณวงเนื้อนั่นก็คือวสัตวุทั้งหลายคือวัสดุ ต, ตัวโลกในทางที่ไม่สวัสดีนั่นก็ได้แก่วิชามากักคือทางผิดทั้งแปด ได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะความำลำบิผิดมิจฉาวาจาเจริาจาผิดมิจฉากรรมมันตะการงานผิดมิจฉาอาชีวะเจรชีวิตผิดมิจฉาวายามะเพียนพยายามผิดมิจฉาสติสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิ สมาธิผิดเนื้อต่อตัวผู้นั่นก็ได้แก่นั้นที่ราคะคือความยินดีติดใจด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเนื้อต่อตัวเมียนั่นก็ได้แก่วิชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงส่วนบุคคลผู้หวังดีนนั่นก็คือพระอระหันต์สมมาสมุทัเจ้า และทางที่สวัสดีที่มุคคลพวงดีเปิดให้นั่นก็ได้แ่มักมีองค์แปดที่เป็นสมามักทางชอบอันตรงกันข้ามอันได้แต่สมมาทิฏฐิความเพ็นชอบสมมาสังกปะความนําริชอบสมมาวาจาเจรจาชอบสมมารกรรมตะการงานชอบ สมมาอจิวะเรียนชีวิตชอบสมมาวายมะเพียนชอบสมมาสติสติชอบสมมาสมาธิสมาธิชอ บ, ชอบดังนี้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกนี้คือบุคคลทุกๆคนในโลกนี้เองจึงเป็นเหมือนอย่างฝูงเนื้อที่อยู่ในป่าอันเต็มไปด้วยเบิดกตมถึงเป็นที่ล่ม ได้แก่กามคุณคือต่างเป็นการมาวจรสัตวคือมูสัตวที่อย่างลงในกามและถ้าหากว่าถูกอำนาจของมานมาเปิดทางพิถให้พร้อมต้องมีเครื่องล่อคือนันที่ราคะอันเหมือนอย่างเนื้อต่อ กับอวิชชาซึ่งเป็นเนื้อต่อตัวผู้นรสต่อเมียก็ยอมจะออกดำเนินปัรญานาในทางที่ไม่สวัสดีอันเป็นวิชามาันเป็นทางที่ผิดประสบภวาวิบัติแต่เมื่อได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ได้ฟังธรรมะของพระองค์ได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็ย่อมจะได้พบสมามัชคือทางที่ถูกชอบและเมื่อปฏิบัติดําเนินไปในทางที่ถูกชอบนั้นก็ย่อมจะมีความสวัสดีการนิยยะคือกิจที่ควรทำอันพระองค์ผู้พระศาจสดาได้ทรงกระธทมแก่สาวกทั้งหลายแล้ว เพราะฉะนั้นจึงให้บรรดาสาวกทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพากันเป็นภูไม่ประมาทเพ่งปฏิบัติทมกิจภาวนาอบรมกิจให้ถูกต้องตามที่ทรงสั่งสอนก็จะเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในภายหลัง มีความสุขความสวัสดีต่อเป็นนี้กขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำปรับสงบสืบต่อไป